พระที่เมืองโคราชเนี่ยสมเด็จพระธีรยานวัช ก, กวตดเป็นเด็กกาพร้ามาเหมือนอย่างหลวงตาเหมือนกันอาศัยพี่สาวอยู่พี่เขยก็รังแกข่มเหงพอเสร็จแล้วท่านก็ไปบวชเป็นสามนเณรไปเรียนหนังสือได้ไปเรียน9ก้าประโยคเป็นเจ้าอาวาสวัักวั ด, วดราชาวาดในที่สุดได้เป็นสมเด็จเพราะฉะนั้นเราต้องมีมานะต้องพยายามเอาชนะให้ได้